ซีดีแผ่นที่แปดของหลวงพ่อกำลังจะออกสู่ชุมชนสังคมอีกแผ่นหนึ่งท่านท่านผู้ใดได้รับแผ่นซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ขอให้ตั้งใจฟังถ้าหากว่าไม่ต้องการก็ขอมอบให้คนอื่นถ้ า, าว่าฟังแล้วเกิดสาระเกิดประโยชน์ก็ขอให้ตั้งใจฟังถ้าเมื่อตั้งใจฟังหลวงพ่อคิดว่าซีดีของหลวงพ่อแผ่นนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็ น, น้อยแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายฟังธรรมะครือฟังเทศฟังแต่สักแต่ว่าฟังไม่ได้น้อมเข้ามาหาตนไม่ได้เอามาเป็นกระจกเงาสองตนฟังไปแล้วก็ผ่านไปเหมือนหมอร้องหมอรำถ้าฟังอย่างนั้นผลที่จะได้รับประโยชน์ที่จะได้รับไม่มีพูดอย่างนั้นได้เลย ก่นนั้นทางว่าพวกเรานำมากไตรตรองเหตและผลที่จะยินได้ฟังก็จะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายธรรมะแผนนี้ซีดีแผนนี้ตั้งชื่อเป็นหัวข้อโลโก้ว่าหลักกิโลวัตระยะหลักธรรมะวัดกิตใจหลักกิโลวัตระยะทางเหมือนกับเราเห็นหลักกิโล ในทางหลวงหลักธรรมะวัดจิตใจธรรมะคนจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องวัดมีคุณธรรมมีรรมมรรมมจริยธรรมมีจริยธรรมคนนั้นเป็นคนดีคนไหนผู้ใดก็ตามมีศีลห้าประจําตัวคนนั้นเป็นคนดีแต่อย่าเป็นมีศีลหาแบบหลอกๆเป็นพระกูเหมือนกัน ถ้าเป็นพระที่มีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริบูรณ์คนนั้นก็เป็นพระที่ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แปลว่าธรรมะทั้งหมดธรรมะคือข้อปฏิบัติให้เป็นคนดีเพราะนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าหลักกิโลวัตระยะหลักธรรมะวัด จ, จิตใจจิตใจของคนเรา ถ้าหาว่าไม่มีเคื่งวัดต่างคนก็ต่างว่าตัวเองดีเพราะตีเข้าข้างตัวเองเป็นส่วนมากข้าพเจ้าไม่ได้เบียดเบียนใครข้าพเจ้าทําการเป็นอยู่เพียงแค่นี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้ผูอื่นหนักใจข้าพเจ้าอยู่ในครอบครัวของข้าพเจ้าก็มีความสุขแต่ตามไม่จริงความสุขถ้าเอาหลักธรรมมรของพระพุทธเจ้า มาเปรียบเทียบแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แล้วเราจะว่าความสุขเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอคงจะขนขวายหาความสุขให้เข้ามาหาตัวเองให้มากกว่านี้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์อยู่ในเวียงในวังพร้อมบททุกอย่างพร้อมยิ่งกว่าเราอีกแต่พระพุทธองค์ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่กับความสุขขององค์ ในเวียงในวังเพียงเท่านั้นความสุขที่เป็นอยู่นั้นเหมือนกับเป็นความสุขเหมือนหมูอยู่ในเล้าอีกสักวันหนึ่งเมื่อความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาถึงเมื่อนั้นเราจะเห็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างมหันต์เพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงมองเห็นว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะท่านเห็นเทวดทูต มาบอกกล่าวเพราะนั้นพระองค์จึงได้ไม่นิ่งนอนใจจึงได้ออกไปส่อแสวงหาทางหลุดพ้นอยู่ถึงหกปีเพราะนั้นพระองค์จึงได้ตัดสรุรรมในวันเดือนหกเพนในวันนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกจะทำยังไงจึงจะหลุดพ้นจาก เกิดแก่เจ็บตายพระองค์รู้ในวันนั้นเพราะนั้นพระองค์ได้ตัดรู้ธรรมโล ก, กุตละธรรมในวันเดือนหกเจ็ดเมื่อท่านในบนรรลุธรรมแล้วท่านก็ น, นําพระธรรมคำําส่งสอนออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พุทธบริษัทสี่ของพระองค์อุบาสกอุบาสิ ก, กาติสุสมัมมเนนให้ได้รับการศึกษาจากนั้นพระองค์ก็สั่งสอนว่าคุณงามความดีนั้น ไมอ่อยู่เพียงแค่ใดแค่หนึ่งอย่าไปคิดว่าเราทําดีแล้วขนาดนี้แล้วเพียงพอพระพุทธองค์ตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายควรพิจารนณานนเด e r i องว่าความดีของเรานั้นไม่มีอยู่เพียงเท่านี้ยังมีอีกอยู่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เป็นนั้นว่าทําคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวหรือเตือนพวกเราความดีนั้นยังมีอยู่หลายระดับความดีกอไก่ปรถม มัธยมปริญญาตรีโทเอกถึงจะเอกแขนงนี้แล้วยังมีเอกอีกหลายขแขนงขนาดวิชาทางโลกก็ยังไม่มีที่สิ้นจุดเพราะนั้นฝ่ายธรรมะที่พวกเราจะต้องศึกษาจะต้องพยายามเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่พาเดินนั้นยังมีอีกอยู่เพราะนั้นจึงมีคำว่าหลักธรรมะวัด จ, จิตใจตากวดมีธรรมะสูง มีธรรมะมีหลายระดับว่าข้าพเจ้าถึงขั้นนี้หรือยังจนถึงขั้นสูงสุดคือพระอระหันต์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะนั่นแหละเป็นจิจที่สูงสุดในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราอย่านิ่งนอนใจอยู่กับคุณงามความดีเพียงแค่หางอื้อควรจะสังสมคุณงามความดีให้มากกว่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็าตามเงินคำทรัพย์สมบัติที่เป็นคุณงามความดี เรายังต้องการให้มากจดถาบรรดาศักด์ที่เป็นของดีเราก็ต้องการมากบุญกุศลคุณงามความดีเราจะทำํำไมทีงจะมาหยุดอยู่เพียงแค่นี้เราควรจะทําดีให้กว่านี้ขึ้นไปอีกควรจังสงคุณงามความดีให้มากเมื่อสองตรงบุญกุศลให้มากแล้วนั่นละ่ะเราจะไปน้าทิดถิ่ใดเราก็จะประจบแต่ความตกความเย็นใจถ้าบอกคนว่าตายแล้วศูนย์เราก็ไม่จะโชกสะทาน ถ้าคนมาตายแล้วเกิดเราก็ได้สั่งสมกุนงางความดีเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะนั้นเราจะไปณนะถิ่นใดที่ใดบุญกุศลที่พวกเราสั่งสมไว้ดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้เมื่อพวกเราทุกท่านได้รับทีดีของหลวงพ่อไปแล้วลก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังถ้าฟังด้วยดีแล้วหลวงพ่อคิดว่าทีดีแผนนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังแล้วก็ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังซีดีแล้วก็ให้นำมาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าก่อนฟังให้ตั้งใจฟังอย่าไปฟังแบบไม่สนใจเปิดแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้ตั้งใจฟังให้ต่อเนื่องถ้าว่าพวกเราตั้งใจฟังเออข้าพเจ้าหมดหน้าที่การงานแล้วข้าพเจ้าว่างในช่วงนี้ข้าพเจ้าจะฟังเทศข้าพเจ้าจะฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยความตั้งใจเมื่อ ตั้งใจฟังอย่างนี้หลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าธรรมะที่หลวงพ่อพูดไปจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกับคนตั้งหกตั้งใจทานยาแก้โรคอย่างนั้นน่ะกตงเาว่ากินแต่สักว่ากินกินที่เๆีองงขวางกินไม่ต่อเนื่องกินแบบไม่ได้ขนาดเนียาตัว น, นั้นกขาคงจะเข้ารักษาโรคภัยใข้เจ็บไม่เต็มที่แต่ถ้าพวกเราทานยาตามที่หมอสั่งหรือตามที่ เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามพวกเราจะประสบความสงบโร่งเย็นเป็นสุขทังด้านจิตใจตัวอํานาจคุณพระสีรัตนไตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาทุกประการ